เสียงร้องอย่างตื่นตนกและเสียงป่าแตกขยายวงกว้างออกไปเป็นลําดับจนกระทั่งอึดใจใหญ่หญต่อมาช้างโขลงนั้นก็เพ่นพ้นบริเวณ น, นั้นกระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศทางป่าโรมหักรูปเป็นทางจนมองโปร่งโล่งตาไปหมดพระพีนหันมาสํารวจหาเชษฐาก็าพุ่นหน้าคณะเดินทางโผล่ออกมาจากโขดหินใหญ่วิ่งตรงเข้ามาที่เขาด้วยไรเฟิลในมือที่ร้อนเผาสีหน้าและแววตาอยู่ในอารมณ์ดุเดือด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 ในขณะที่กระชากลูกเลือนสลัดปลอกกระสุนที่คาอยู่ในลากล้องทิ้งแล้วบรรจุเพิ่มลงไปใหม่ให้เต็มอัตรากระแทกลูกเลือนเข้าที่ส่งกระสุนขึ้นประจำรังเพลงิงพร้อมเหลียวซ้ายแลขวาอย่างว่องไวพรางเพ่นเข้าไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ขนาด10บคนโอบเชี่ยวถาก็กระโจนตามทั้งสองยืนหันหลังให้กันกวาดสายตาค้นหาอย่างระแวงไปรอบด้านเสียงป่าแตกคืนโครม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 ได้ยินและสังเกตเห็นได้อย่างถนัดระพินกับเช่ถาฟาดกับมันเข้าให้แล้วชายยันร้องลั่นออกมากระชับปืนในมือพร้อมและมิทันจะขาดเสียงของเขาบริเวณพงริมสุดอันชิดกับลำธารที่ขวางกั้นอยู่ก็ปรากฏก้อนดำๆเคลื่อนที่หลายก้อนหักป่าแหลกยับออกมาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักผงผางอย่างชัดเจนระวังนายพวกมันโผล่ออกมาโน่นแล้วเสียงบุญคาตะโกนเตือนอย่างริงโลด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 ตัวใหญ่ที่วิ่งนำหน้ามาสุดคูข่าวรงไปด้วยอำนาจกระสุนจุแมกนัมแอฟริกันของชัยยันตัวที่สองและที่สามก็ร้องแหลมชูวงวงแตกกระเจิงกันไปคนละทางด้วยกระสุนจ0ศูและจ .75 ของบุญคำกับแงซายแต่แล้วก็ร้มตะแคงไปด้วยไรเฟิลแฟรดจุดของดารินซึ่งตัดเข้าซอกขาหน้าและก้านคอเจ้างามตัวที่เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาจากฝั่งทาน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 อาจไปล้มตายในระหว่างทางหรือมิฉะนั้นก็ทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะตายอย่างช้าช้าดารินเป็นคนรั้นกระสุนนัดสุดท้ายหล่อนไม่ยอมละโอกาสแม้จะเห็นเป้าหมายเพียงไม่ถนัดนักเจ้าสีดอตัวเขื่องที่ตะกายวกกลับขึ้นฝั่งเดิมได้กําลังจะนําร่างของมันลับเข้าไปในดงทึบหล่อนปล่อยกระสุนตามออกไปในระยะที่ห่างถึงเกือบ200เมตรจะถูกหรือเปล่าไม่ทราบได้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 รองลงมาก็คือแผลจุด470ของดาลินส่วนจุด375และจุด3006ของแงซายกับปุญนคำแทบจะสังเกตไม่เห็นเอาเลยถ้าไม่ใช่พรารอยเลือดที่ไหลซึมออกมาสีหน้าของคณะนายจ้างทั้งสามแช่มชื่นขึ้นต่างมาหยุดยืนสนใจหยุดที่ซากช้างงาตัวนั้นเป็นพิเศษจะเอาอยัางไงต่อไปครับไอแหว่งกับโครงส่วนใหญ่ของมันหนีรอดไปได้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 ถ้าขืนเดินแกะรอยกันอีกฉันก็ขออยู่เฝ้าแคมป์ไม่ไปด้วยแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินยอมแพ้ขําวันนี้พอจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าหล่อนอิดโรยไม่ใช่น้อยเพราะบุก ป, ป่าหนักติดติดกันถึงสองวันยกทงขาแล้วเหรอคนเก่งชัยยาันหันไปกระซา้าหล่อนค้อนพูดท่วนๆไม่ใช่งั้นหรอกถ้าจำเป็นก็ไหวแต่ถ้าเพื่อการบันเทิงหย่อนใจแล้วก็ขอพักชั่วคราว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 ให้มันพิสดารไปกว่าเท่าที่เราจะหากินได้เช่นทุกวันนี้แกงเผ็ดมัสมัน่นแกงเขียวหวานหรือแกงกะหรี่อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับเนื้อสดที่เราได้มาเข้าทีไหมหรือจะกินเนื้ออบซีอิ๊วกับเครื่องเทศต้มยำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละลระพินผู้กําลังตรวจปืนและเครื่องหลังอยู่ก่อนที่จะออกจากแคมป์ก็ชะ ง, งักไปเหมือนกันหันมาจ้องดูหญิงสาวหม่อมแลช่วงเชื่ากับชายยานันพากันหัวเราะดั่น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 ปัญหามีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะไปหาผักสดส่วนประกอบมาจากที่ไหนเท่านั้นพลานใหญ่ผิวปากยาวออกมาเบาๆแล้วก็บอกมาว่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะเขือพวงพริกขี้หนูคุณหญิงจะต้องการสักกี่กระบุงก็ได้ครับถ้าจะขาดหายากอยู่สักหน่อยก็เห็นจะเป็นใบโหระพาเท่านั้นต้องการเมื่อไหร่ก็ใช้คนของผมไปหามาได้ว่าแต่ว่าเขาเว้นระยะไปอึดใจ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 จะไปขัดห้างก็ไปเถอะแล้วกลับมาให้ทานอาหารค่าแล้วคุณจะรู้จักดารินวราลิศในอีกลักษณะหนึ่งผิดจากที่คุณเคยรู้จักมาแล้วครับผมจะพยายามรีบกลับมาให้เร็วที่สุดทีเดียวพรานใหญ่ยิ้มพรายโค้งคำนับให้แล้วก็พลักออกจากแคมป์ไปพร้อมกับจันร์เสยและลูกหาบอีกสามคนเพื่อสำรวจรอยและเตรียมขัดห้างไวสาหรับนายจ้างของเขา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 โดยมีแง่ทายเกิดและลูกหาบทั้งหลายเป็นลูกมือตลอดบริเวณแคมป์คึกคักสนุกสนานเป็นพิเศษที่นายหญิงออกมาครุกครีอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกเชษฐาและชายยันนั่งดูอยู่เฉยเฉยทุกคนอยู่ในอารมณ์พักผ่อนระพินโผลกลับมาถึงแคมป์เมื่อเวลาสี่โมงเย็นพ่อเก้าเข้ามาใดบริเวณกลิ่นควันไฟและกลิ่นหอมหวนของเครื่องแกงเครื่องเทศก็ชวยตรุบอบอวนคลุ้งไปหมด จนเสยกับจันที่เดินตามหลังมามองดูหน้าเขาน้ำรายไหลทั้งสองยิ่งงงงันสีหน้าแสดงประหลาดใจยอย่างยิ่งเมื่อมองเห็นหนายหญิงในชุดเครื่องแต่งกายที่สวยสดเป็นพิเศษวันนี้ยืนเอาตะหลิวกวนอยู่ในหม้ออะลูมิเนียมลูกใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนหินสามเศร้าแทนเตาอันมีฟืนกิ่งไม้ลูกโพรงหม้อนั้นส่งควันขึ้นมาหอมฉุยแงซายเกิดบุญคำลูกหาม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 อาหารข้ามมื้อนั้นเป็นมื้อที่วิเศษสุดเหนือกว่าทุกมื้อที่ทุกคนกินมาแล้วมีมัสมั่นวัวแดงที่ชา ย, ยันยิงได้เมื่อสามสิวันก่อนและย่างรมควันตุนเป็นสเสบียงไว้แกงขิวหวานกวางนกเขาเขียวตุนกับมะนาวและถั่วกระป๋องกระทาดงอบกับซี อ, อิ๊วและเครื่องเทศแถมด้วยต้มยำปลาก้างที่บุญคารับอาสาไปหาได้มาจากหนองน้าเบื้องล่างอาหารที่ประกอบขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะนายจ้างเท่านั้นแต่เพื่อสำหรับพรานและลูกหาบทั่วทุกคนซึ่งแช่ถาอย่างสั่งอนุญาตให้นำเหล้าขาวออกไมาพวกลูกหาบอีกเจ็ดปดขวดบรรยากาศของแคมป์ในคืนนี้คลึกคลืนแจ่มใสเป็นพิเศษไฟทุ ก, กองสว่างโชนไม่เพียงแต่จะเป็นมือสัญญาแพทย์ชั้นเกียรตินิยมหรือมือปืนขนาดประกาศสิทธ์เท่านั้นหม่อมและช่วงหญิงดาลินวราลิศ ยังเป็นมือปรุงอาหารชั้นเยี่ยมยอดเกินกว่าที่จะเชื่อได้มาก่อนนี่เป็นความรู้สึกทึ่งๆของระพินภัยวันในขณะที่เขาร่วมโต๊ะอาหารคํามื้อนั้นทุกคนเจริญอาหารกันมากกว่าทุกวันที่แล้วมาครั้งหนึ่งระหว่างที่กินการพรางคุยกันพรางสายตาของพรานใหญ่เหลือไปทางหญิงสาวเห็นหล่อนจ้องสังเกตเขาอยู่ก่อนแล้วพอตาศบตาหล่อนก็เลิกคิ้วถามว่าเป็นยังไงไม่เสียเวลาเปล่าไม่ใช่หรือ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 เลิกงามยามดีเท่านั้นที่ฉันจะเป็นแม่ครัวให้ทําไมงั้นก็กินแกงป่าหรืออาหารกระป๋องกันไปตามเดิมเถิดอย่าหาว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยนะแรกๆคุณดูหมิ่นฉันเหลือเกินพยายามจะกีดกันฉันทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้ฉันได้มาด้วยคุณจะเอายังไงกับฉันฮะนายพานความรู้ในทางแพทย์ของฉันก็มีพอที่จะช่วยเหลือพวกคุณทุกคนได้ในกรณีที่เกิดเจ็บได้ไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมา ยิงปืนฉันก็ยิงได้ถ้าเกิดขับขันโดยที่ใครไม่จําเป็นจะต้องพลอยวิตกกังวลกับฉันเกินไปนักถ้าจะพูดถึงเดินทนกันแล้วพวกคุณเดินไปถึงไหนฉันก็เดินไปถึงนั่นไม่เคยร้องทุกข์หรือเป็นภาระให้ใครตั้งหอบหิ้วแบกหามมิหนำซ้ำํายังทํากับข้าให้กินก็ยังได้แหมได้ทีขี่แพะไร่ใหญ่ทีเดียวนะน้อยชายยานขัดคอมาปนหัวเราะแต่ละพินอมยิ้มครับ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 เขาชงนอยู่คลามคลันในข้อที่ว่าหล่อนไม่น่าจะยิงไรเฟิลแฟดขนาดจุด470อันเป็นปืนราศาสาขนาดหนักกระบอกนั้นได้เลยซ้ำยังสามารถที่จะควบคุมวิถีกระสุนรักษาความแม่นยำไว้ได้ตามสมควรพอใช้ที่จะสังหารช้างได้เมื่อถึงคราวจำเป็นชีวิตร่วมกันในป่าเป็นเช่นนี้เองคือการเวลาและเหตุการณ์เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องค่อยๆพิสูจน์กันและกัน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 ซึ่งมองไม่เห็นทางเลยว่าจะแก้ไขยอย่างใดของหล่อนเมื่อแงซ า, ายเอากาแฟาเข้ามาให้เชษฐาก็เอ่ยถามถึงเรื่องผลของการสำรวจรอยเล็กการขัดห้างระพินรวงกระเป๋าควักกระดาษที่จำลองเป็นแผนที่ขึ้นมาชี้ให้ดูและอธิบายประกอบอย่างชัดเจนเขาขัดห้างเตรียมไว้พร้อมแล้วสามแห่งด้วยกันแห่งแรกเป็นห้างเดินโป่งแห่งที่สองและที่สมเป็นห้างเหนือภูหรือแอ่งน้าเล็ก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 อ๋อแน่นอนค่ะพี่ใหญ่ถ้างา น, นเอาอยางนี้ก็แล้วกันน้อยนั่งคู่กับพี่ที่ห้างหนองน้ำหมายเลขสองตามแผนที่ของรพินนี่ชยันนั่งห้างโป่งหมายเลขหนึ่งกับพรานคนใดคนหนึ่งส่วนอีกห้างหนึ่งหมายเลขสามนี่ให้ใครก็ได้ไปนั่งดาลินร้องอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วหัวเราะแหลมสั่นหน้าปฏิเสธโ ด, ดยเร็วแน่เรื่องอะไรคะที่น้อยจะต้องนั่งคู่กับพี่ใหญ่